นั่งขัดสมาธิขาเบื้องวขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาไงทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนศัพหลับตานึกอุิดโตในใจนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่มีความสำคัญจริงเพราะอะไรเพราะว่า ใจของเรานี้พราพุทธองค์ตรัสว่าเป็นสิ่งประเสริฐและเราทำอย่างไรกับสิ่งประเสริฐนี้จึงจะสาเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์บุคคลทุกคนได้มีใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะการมีใจนั่นเองคือเป็นผู้ที่มีของประเสริฐ อยู่ที่ตัวของเราแล้วทุกคน mm. เมื่อเราได้มาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุธทธเจ้าด้วยวิธีการทำสมาธิจึงเป็นการถูกต้องแล้วที่เราได้ปฏิบัติสิ่งจะเกิด mm. ให้มีผลประโยชน์แก่ตัวของเราถ้าแนแน่ว่า เราไม่ได้มาบำเพ็ญทางใจเราก็จะเสียทีเสียหายในการที่เราเกิดมาเป็นคนพุทธศาสนาเราเกิดเป็นมนุษย์พุทธศาสนาแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติในทางใจก็ถือว่าเราได้ เสียของสำคัญหรือไม่ได้รับผลประโยชน์จากสิ่งสาคัญแต่เมื่อเราได้พากันมาปฏิบัติในทางใจถือว่าเราได้สิ่งที่มีความสาคัญความสาคัญนั้นไม่ใช่สาคัญเพื่อสิ่งอื่นใดสาคัญเพื่ออนาคตของเราต่อไป อนาคตนั้นคือนับตั้งแต่วันหน้าไปจนกระทั่งถึงชาติหน้าสมาธินี้จะมีโอกาสได้ช่วยเหลือคุ้มครองตัวของเราไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิเมื่อได้รับการฝึกฝนแล้วนั้นจะส่งพลังให้เกิดขึ้น สร้างพลังจิตนี้ให้สูงยิ่งขึ้นผู้ที่ไม่ได้ทำสมาธินั้นก็ไม่มีการสร้างพลังมีแต่ใช้ความนึกความคิดพร้อมไปด้วยอาสวะกิเลสมีอาวิชาปัญหาอุปทานเป็นต้นได้เข้ามาอยู่ในจิตนั้น แล้วก็ทำให้จิตนั้นต้องคิดไปโดยการที่ไม่ได้รับการควบคุมที่ถูกต้องเมื่อจิตนั้นไม่ได้รับการควบคุมที่ถูกต้องก็เลอะเทอะเป็นอะไรก็เลอะเทอะเป็นพระเป็นเมนก็เลอะเทอะเป็นฆราวาสก็เลอะเทอะคาว่าเลอะเทอะก็คือเปเปื้อน หมายถึงว่าเป็นผู้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องควบคุมเมื่อไม่มีสิ่งควบคุมแล้วก็เป็นโอกาสของพวกกิเลสคืออริชาตัญหาอุปทานกิเลสต่างๆเหล่านี้เมื่อกิเลสมีโอกาสมากขึ้นก็ทำให้เรา คือตัวของคนนั้นต้องประสบกับบาปหรือประสบกับสิ่งที่ไม่ดีการที่บุคคลประสบสิ่งบาปหรือสิ่งไม่ดีนั้นบุคคลผู้นั้นไม่ใครจะรู้จักตัวเองเพราะว่ากิเลสนั้นได้ปลอมตัวเข้าไปเป็นตัวของเราซะแล้ว เมื่อมันกลอมตัวเข้าไปเป็นตัวของเราก็เลยทำให้ความเข้าใจผิดคือตัวของตนนั้นเป็นผู้เข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็ ค, คิดว่าเรานี้เป็นตัวเป็นตเนตเป็นบุคคลเป็นเราเป็นเข า, าจจแสดงถึงบทบาทต่าง เมื่อแสดงบทบาทต่างๆก็ไม่ว่าบทบาทนั้นเรามันดีกับเราจริงๆเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความสา ม, มารถมีความดีซึ่งใครๆสู้เราไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าพวกกิเลสกิเลสเหล่านี้จะมีอยู่ในจิตใจของผู้ที่ไม่ได้รับการควบคุม นอกเหนือจากนั้นจิตใจของผู้ที่ไม่ได้รับการควบคุมนั้นเลยเข้าใจติดต่อไปอีกวัวเช่นบุคคลผู้ที่เป็นพระจะเป็นพิกสุเป็นสามเณรและเรียกว่าเป็นนักบวชก็นึกว่าตัวเราเป็นฆราวาสเระทำในสิ่งที่ผิดจากมันละญาติของพิกสุ มันล ย, ยาของนัก บ, บวชที่จะพึงมีเพราะอะไรเพราะว่าผู้นั้นไม่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมแม้จะมีผ้ากาสาวพัดครือมีผ้าเหลืองเป็นเครื่องคุมตัวอยู่ก็เหมือนกันกับคุมต่อม้ ไม่แต่ทำอะไรกับเอาผ้าเหลืองไปคุมสัตว์ซึ่งมันก็จะเต้นแรงเต้นกาของมันไปตามภาษาแต่มันก็ไม่รู้หรอกว่าผ้าเหลืองนั่นคืออะไรผู้ที่ไม่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมก็เช่นเดียวกันแม้เขาจะเป็นนักบวชแต่เขาก็จะต้องทำสิ่งต่างๆที่เขาต้องการจะทำ ด้วยอำนาจของกิเลสด้วยอำนาจของการยกยอป้ันจากบุคคลเข้าใจว่าเรานั้นเก่งบ้างใหญ่ยยบ้างโตบ้างก็เป็นไปตามเรื่องอันนั้นคือความที่มีไม่มีสมาธิเป็นเพื่อนควบคุม เมื่อผู้ที่มีสมาธิเป็นเครื่องควบคุมแล้วเขาจะต้องระมัดระวังเช่นอย่างเป็นนักบวชหรือเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรก็มีความสำรวมมีความระวังมีความเข้าใจว่าเราเป็นนักบวชและพิจารณาถึง ความจริงของสัจธรรมอยู่ตลอดก็ทำให้ผู้นั้นเป็นที่น่าเคารพน่ากราบน่าไหวเป็นปูชนียบุคคลได้ด้วยเหตุอย่างนี้การทำสมาธิจึงมีคุณะสมบัติหรือมีความดีที่เหลือที่จะสุดที่จะอันรนาได้ เมื่อเขาได้เป็นผู้ที่สร้างประมาธิสร้างความมั่นคงภายในจิตใจแล้วเขาจะกลายเป็นปู่ชนิยบุคคลคือบุคคลที่สมควรแก่การกราบไหว้สมควรแก่การที่จะทําบุญให้ทานด้วยเป็อย่างนั้นนอกเหนือจากที่ว่า จะเป็นปูชนิยบุคคลแล้วคุณธรรมความดีหรือเรียกว่าคุณธรรมที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นย่อมจะเป็นเครื่องกาจัดกิเลสที่มีอยู่ภายใน จ, จิตใจไปในตัวด้วยเพือได้ผลหลายอย่างหลายประการแม้ว่าการบำเพ็ญสมาธินั้นจะลำบาก มีความเหน็ดเหนื่อยเหื่อยลา้ามีความอึดอัดใจหรือมีความนะครับขัดขืนในจิตใจนะั้นก็เป็นสิ่งที่เราสมควรจะแก้ไขแก้ไขไม่ให้มันอึดอัดใจแก้ไขไม่ให้มันเจ็บมันปวดแก้ไขให้เรามี การบํำเพ็ญให้มากยิ่งขึ้นจากวันละห้านาทีเป็นวันละสิบนาทีจากสินาทีเป็นครึ่งชั่วโมงจากครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงเป็นตน้นเพื่อพยายามที่จะสร้างความเพียรให้แก่ตัวของเราให้มากยิ่งขึ้นเพราะการสร้างความเพียรให้แก่ตัวเราให้มากนั้น เป็นการลบล้างความอึดอัดหรือลบล้างความทุ้ข์่าในใ จ, จิตใจของเราและลบล้างพวกกิเลสที่มันคอยมาถึงอยู่ในจิตใจของเรานั้นเพราะฉะนั้นถึงว่าเราจะลำบากในการบำเพ็ญสมาธิก็ได้ผลคุ้มค่า เรียกว่าคุ้มค่าเหลือที่จะคุ้มเพราะคนเรานั้นถ้าหากว่าจากชาตินี้คือตายแล้วเราไปเกิดเป็นสัตเจริญฐานทันทีนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความเสียหายในชาติในชาติของเรานี่ที่ เกิดต่อไปมันกลายเป็นเช่นนั้นไปมันเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลเรียกว่าแก้ไม่ได้เมื่อเกิดจะเป็นสัจจิได้ฌานก็ต้องอยู่เป็นสัจจิได้ฌานเป็นชัดชาติมันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นแก่พวกเราชาวพุทธที่ได้พบพุทพพพธศาสนาพราเฉะนั้น เมื่อเราพากันมาทำสมาธิโอกาสที่จะเกิดเป็นปัจว์เดรัจานด้วยนรกนั้นเรียกว่าน้อยมากหรือว่าติดนรกได้เลยหรือว่าติดนาบาสภูมิววได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราจะตายนั้นก็จิตนี้เองที่จะออกจากร่าง ร่างกายอันนี้ในเมื่อจิตนี้เตรียมที่จะออกจากร่างทุกอย่างที่มีอยู่จิต ก, ก็ต้องพร้อมเรียกกจะเตรียมพร้อมช่วระยะวินาทีเท่านั้นเองจิตจะพร้อมหมดทุกอย่างสมาธิที่เราได้กระทำมาแล้วจะเป็นจิตครั้งร้อยครั้งหรือจะเป็นกี่ครั้งก็ตามทำไว้ที่ไหน การทำไว้ที่ใจของเราเองเพราะฉะนั้นเวลาใจจะออกจากร่างไปนี้สมาธิทั้งหมดก็เก็บเอาไปหมดไม่มีอะไรเหลือเ้าเรียกเก็บ เ, เรียบร้อมเมื่อพร้อมแล้วในช่ววินาทีนั้นสมาธิย่อมจะต้องเกิดขึ้นกับเราเมื่อสมาธิเกิดขึ้นกับเรา<ม>เราก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เราก็ไม่ต้องไปเกิดในอ บ, บายเรียกว่าจิตได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราทำจิตนั้นเราก็ได้ทำและเราก็จำได้ไม่มีการหลงลืมเรานั่งสมาธิกีกครั้งเราก็ไม่ได้ลืมเรายังทรงจำอยู่ภายในจิตนั้นไม่มีเวลาที่จะลืม ใครจะมาทำให้ลืมก็ไม่ได้อะไรจะมาทำให้ลืมก็ไม่ได้อะไรจะมาพรากสมาธิจากจิตนี้ไปก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ามันอยู่กับจิตอยู่แล้วเราทำแล้วมันก็อยู่ในใจของเราอยู่แล้วมันจึงเรียกว่าไม่มีอะไรมาพรากได้จึงเรียกว่า สามารถที่จะติดอบายยอดบุได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นการคุ้มค่าจริงๆที่บุคคลทั้งหลายได้พากันมีการเสียสละมาปฏิบัติความดีเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติความดีเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเรานั้นสมควรอย่างยิ่ง ที่จะพัฒนาติดของเรานี้ให้ยิ่งขึ้นไม่ควรที่จะคิดว่าเท่านี้พอแล้วฉันทำเท่านี้ก็พอแล้วฉันทำเท่านี้ก็มากแล้วอย่างนี้เราไม่ควรคิดอย่างนั้นเราควรที่จะคิดว่าที่เราทำนี้ยังน้อยเกินไปให้ยังยามอยู่เรื่อยไป เมื่อเราใช้ความพยายามนี่จิตอันนี้แหละจะได้ถูได้รับการขูดเกา่าหรือเรียกว่าขัดเกา่าให้เกิดความผ่องใสหรือให้เกิดจิตนี้สูงขึ้นตามลำดับเมื่อจิตนี้สูงขึ้นตามลำดับก็ถือว่าเรายิ่งได้ประสบผลสาเร็จยิ่งได้รับผลประโยชน์ เพิ่มขึ้นถ้าเรามาคิดถึงว่าเราเกิดมาเพื่อโลกเราเกิดมาเพื่อทรัพย์สินสมบัติเราเกิดมาเพื่อความครองเรือนเราเกิดมาเพื่อมีลูกมีเจ้าเราเกิดมาเพื่อแต่ทรัพย์สิแผ่นดินก็คิดผิดเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นแต่ทีนี้ ถ้าหากว่าเรามีการมีงานเราทําเป็นเจ้าของมีทรัพย์สินสมบัติทุกประการสมบัติเหล่านั้นให้ความสุขเราก็จริงจริงเพียงว่าให้ความสุขในปัจจุบันคือในปัจจุบันชาตินี้แปลว่าทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นไม่มีประโยชน์ เมื่อเราตายไปแล้วไม่มีประโยชน์เพราะเราจะกลับคืนมาปกครองสมบัติเหล่านั้นอีกก็ไม่ได้และเราจะเอาตามไปด้วยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเอาไปได้คือสมาธิที่เราพากันทำอยู่นี้เองแน่จะเท่ากี่กริ้นคือนิดหนึ่ง หรือแม้จะเท่าสักไกลตบปินิดหนึ่นเ่านั้นก็ยังเป็นเชื้อที่มีความดีมากเหลือหลายอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่บำเพ็ญสมาธินั้นผู้มีสมาธิในจิตนั้นเทหังเทวกายยังมนุษย์สังเทหัง เทวกายังมนุษย์เทหังก็หมายความว่าเมื่อละจากกายเป็นมนุษย์เทวกายังก็ได้กายเทพหรือเรียกว่ากายเทวดานี่คือผลของสมาธิท่านว่ามนุษย์สังเทหังเทวกายังเมื่อละจากกายอันเป็นมนุษย์ก็ไปได้กายเทวดา ซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนาเพื่อใายความว่าเพิ่มความดีของเราให้สูงยิ่งขึ้นสมาธินั้นถ้าเราจะไปปรารถนาสิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างนั่นก็ไม่ถูกต้องเท่าไรนักเพราะสมาธิต้องจัดอารมณ์เรานั่งสมาธิเพื่อความปรารถนา สิงนั้นสิงนี้มันกลายเป็นอุปทานและกลายเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นการทำสมาธิท่านจึงไม่ให้ปรารถนาเพื่อเราทำสมาธิเพื่อจะเอาเทวดาหรือเราจะทำสมาธิเพื่อจะเอาพระอินทร์พระพรหมอย่างนี้ท่านก็ห้ามไม่ให้เราทำสมาธิปรารถนาอย่างนั้นแต่ว่า ถึงเราจะปรารถนาและไม่ปรารถนาเมื่อเราทำเราก็ได้ที่ท่านไม่ให้ปรารถนานั้นท่านต้องการที่จะไม่ให้เรามีอุปทานมีอารมณ์นั่นเองเพราะอุปทานอารมณ์มันเป็นภัยของสมาธิมันเป็นอันตรายของสมาธิเราต้องกำจัดอันตรายนี้ออกไป ให้เหลือความเป็นหนึ่งของจิตจิตนี้เมื่อเหลือความเป็นหนึ่งได้ก็จะเริ่มมีพลังแล้วคือจิตนี้ถ้าสงบได้ก็ถือว่าเริ่มเกิดพลังแล้วพลังของจิตนั้นเป็นพลังที่มีความสะสมครั้งหนึ่งก็สะสมครั้งที่สองก็สะสมครั้งกี่ครั้งก็สะสมกี่ร้อยกี่พันครั้งก็สะสม การสะสมนั้นได้สะสมขึ้นตามลำดับเรามีเท่าไหร่นั้นเก็บไปแล้วเราทําอีกก็สะสมขึ้นมาอีกเรามีเท่าไหร่เราก็เก็บไว้แล้วเราทําอีกก็สะสมขึ้นอีกด้วยประการอย่างนี้จึงถือว่าการสร้างเสริมพลังจิตนั้นจึงเป็นการสร้างเสริมวาสนาบารมี เรียกว่าสร้างเสริมกุศลมหากุศลถ้าพุทธองค์นั้นพระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมาตีอาสงไขยแสนกลับตีอาสงขขยแสนกลับนั้นบำเพ็ญบารมีไว้ที่ไหนบำเพ็ญบารมีไว้ที่ใจและพระองค์ทำสมาธิมาตั้งแต่ชาติแรก เที่พระองค์ปราถนาโพธิญาณชาติที่พระองค์เป็นสุนเนศทะรือศรีชาตินั้นพระองค์ก็ได้ฌานสมาบัติแล้วเมื่อพระองค์บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ก็บำเพ็ญสมาธิแต่ละชาติตามลําดับมาพลังจิตนั้นเองที่ได้สงที่ได้สะสม เรียกว่ า, าสะสมวัสนาบารมีพระองค์จึงมีบารมีถึงสิบบารมีด้วยกันนับไปตั้งแต่ทานบารมีสินบารมีจนกระทั่งถึงอุเบกขาบารมีแตเสีวาบารมีสิทธั์และบารมีเหล่านั้นก็มารวมเป็นพลังจิตของพระองค์พระองค์ก็เกิดมีพลังตามลําดับจากชาตินั้นมาถึง กัจฉินภาวิกระชาสุดท้ายชาติชาสุดท้ายนี้พระองค์ก็จะรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็จะรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นจอบด้วยอาศัยพลังที่พระองค์ได้สะสมมาแล้วเราเรียกกันว่าพระองค์สะสมบาลีแต่ว่าที่จริงแล้วก็คือการสะสมพลังจิตนี้เอง เมื่อถึงที่สุดถึงที่สุดจะจะรู้เป็นพระอระหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็มีลิ ธ, ธาพระองค์ก็มีทุกอย่างเรียกว่าสัพพัยุติยานสามารถที่จะฤทธิ์ชาติผลหลังได้สามารถที่จะแสดงฤทธิ์ต่างๆได้สามารถที่จะรู้จักใจคนได้ที่เรียกถึงว่า ถ้าะลังจิต ท, ที่ได้อบรมมาเป็มที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่เท่ากันกับพระองค์ฉันใดก็ดีพวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราก็มนุษย์พระพุทธองค์ก็มนุษย์พระองค์งบาเพ็ญบารมีเราก็บาเพ็ญบารมีเนียกว่าอย่างเมื่อเช้าเราทำทางกัน ไหวอาหารพิกสุขบาลเมงก็เรียกว่าทานบา ร, รมีเราพากันมารักษาศีลก็เรียกว่าสมทานอโบโสถทธิศีลก็เรียกว่าศีละบาลมีเราไม่กลับบ้านเรานอนอยู่ที่วัดก็เรียกว่าเหตุธรมะบา ร, รมีเราตั้งสัจจะว่าเราจะรักษาศี วันหนึ่งก็คือหนึ่งไม่ให้ขาดก็เรียกว่าสัจจะบรารมีเรารักษาสิ้นอยู่เราก็ไม่ให้สินขาดิ่งแง้ว่าเราจะลำบากนักอ ด, ดอาหารตั้งแต่เวลาวิการไปจง่จะทำถึงอรุณขึ้นมาใหม่เราก็มีความอดทนไม่ยอม ถึงแม้มันจะหิวเท่าไหร่เราก็ไม่ทานเพราะเรารักษาศีลอย่างนี้เ้าเรียกว่าขันติบาลมีนอกเหนือจากเราจะรักษาศีลแล้วเราก็นั่งสมาธิอีกอย่างนี้จะเรียกว่าวิริยะบาลมีเมื่อเรารักษาศีลและเรานั่งสมาธิ เราก็มีจิตใจมั่นคงไม่วอกแวกมีจิตใจที่เหนียวแน่นมั่นคงใครจะมาบอกให้เราเลิกจากการรักษาศีลก็ไม่ได้จะมาบอกให้เราเลิกจากสมาธิก็ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าอาธิฐานบา ร, รมีในขณะที่เราพากันกระทำเราก็ มีความเข้าใจในตัวเองที่เจรณาเห็นแล้วว่าการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ทั้งสิ้นอันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาบารมีเมื่อขณะที่เรารักษาศีลอยู่เราก็ไม่โดดเดี่งยงใคร เราก็ไม่ะวะเละวิวัตรใรและเราก็พยายามที่จะเฉลีย่ยความสุขของตนให้แก่บุคคลผู้อื่นด้วยการแนะนำด้วยการทร่ำสอนด้วยการช่วยเหลืออะไรต่งางๆเหล่านี้ท่านเรียกว่าเมตตาบา ร, รมีเมื่อเราไ่อยู่ในวัด เราก็ไม่คิดถึงใครจะเป็นสามีภรรยาใครจะเป็นลูกหลานถึงได้เป็นทรัพย์สินสมบัติเราก็ไม่ยัยดีเราเรานึกถึงแต่สิ่งของเราอยู่ตลอดอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นอุเบกขาบราามีในที่สุดเราก็ได้แล้ว ซึ่งบา ร, รมีถึงปิดพักเราก็ได้แล้วบา ร, รมีครบถ้วนในการปฏิบัติที่เรามากระทำเมื่อเราท่านทั้งหลายได้กระทำเช่นนี้จุดมุ่งหมายคือพระนิพพานพระนิพพานนั้นพรอพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานังตะระมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานนังปรมังสุญยัอย่างนิพพานสุญ์อย่างยิ่งเมื่อเรารู้เช่นนี้เราจึงได้พากันเสียสละทุกประการเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานการที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานนั้น คือการกำจัดกิเลสออกให้หมดโดยสิ้เนเชิงเรียกว่าพระนิพพานการที่เราพากันกระทำสมาธิมีฐานเป็นเครื่องรับรองมีสมาธิที่มั่นคงมีสมาธิที่เป็นพลังมีสมาธิรอมมูลเรียกว่าเป็นฐานกำลัง เมื <internation> <ter> ่อเป็นฐานกำลังอย่างนี้เพื่อที่จะให้จิตนี้หลุดพ้นเพื่อให้ถึงพระนิพพานจึงจำเป็นจะต้องเดินทางเข้าสู่สัจธรรมพิจารณาซึ่งอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมนั้นคือทุกขงุตภัยนิโรธมรรคุบได้แก่ความเกิดแก่เจบตาย ผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายก็คือตัวเรานี่เกิดมานี่แก่นี่เจ็บนี่ตายรูปังคือรูปอันนี้เองที่เป็นตัวเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นทุกพระพุทธเจ้าจึงสัตว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ จริงอย่างนั้นเกิดมาก็เหลือจะทุกข์แก่แล้วก็แสนจะทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยก็แสนจะเวทนาตายก็แสนที่จะเวทนาอย่างนี้ถ้าฉะนั้นสี่ประการสี่ประการคือเกิดแก่เจ็บตายเึงเป็นแห่าเก่งเป็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นผู้เกิดมาเป็นผู้เกิดสานงาน ที่จะทําก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่และเมื่อเรารู้ว่าอันนี้เป็นทุกข์เราจะทําอย่างไรจะทําอย่างไรจึงจะพเจารณาให้เห็นเป็นสัจจะคือทุกขะสัจะจะสัจจะแปลว่าความจริงคือ ท, ทำปรากฏให้เห็นเป็นความจริงการทําปรากฏให้เห็นเป็นความจริงนั้น อาศัยพลังจิตเมื่อพลังจิตมีมากเรากาหนดจิตหลับตาอยู่แล้วแห่งดูไปที่รูคือรูปังคือรูปนี้เห็นไหมไม่เห็นจะถือว่าพลังจิตยังอ่อนพลังจิตยังไม่แก่แต่ถ้าหากว่าหลับตามองไปเห็น เรียกว่าพลังจิตได้แก่แล้วสมควรแก่การที่จะดำเนินอริยสัจได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยกรูปนี้ขึ้นพิจารณารูปนี้พิจารณานั้นให้เห็นว่ารูปฟังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปฟังอนัตถารูปฟังทุกขังรูปเป็นรูปธรรมังอนัตตา ร, รูป ทำเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเราเรียกว่ารูปประธรรมอันเดียวกันคือไม่ใช่ตัวตนถ้าหากว่าเป็นตัวตนรูปนี้ก็อย่าแก่เราบอกว่าอย่าแก่มันก็จะต้องทำตามเราอย่าแก่ลูปนี้อย่าตายมันก็ต้องทำตามเราว่าอย่าตายแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันจป็งไม่ใช่ตัวตน เมื่อความเกิดแก่เจ็บกายเป็นทุกข์พิจารณาเห็นเช่นนี้เรียกว่าปริยยันติเมเธิตเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ตนดูก่อนพิกษุทั้งหลายทุกควรกําหนดรู้การกําหนดรู้นั้นคือการใช้ยานเรียกว่าวิปัสนาญาณวิปัสนาญาณ น, นั้น มันจะเกิดขึ้นในเมื่อเราพิจารณารูปท่านปัญจวัคคีย์ที่ท่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะท่านพิจารณารูปท่านชดินทั้งพันสามท่านเกิดความเบื่อหน่ายเพราะท่านพิจารณารูปเช่นเดียวกันเพราะที่เกิดความเบื่อหน่ายเรียกว่ารูปปัจจมินตินิบินนติเกิด ความเบื่อหน่ายในรูปความเบื่อหน่ายนั่นคือวิปัสสนาหนุวปัสสนานั้นคือความรู้แจ้งและเห็นจริงการที่จะเกิดความเบื่อหมายขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยพิจารณาหลายครั้งเหมือนกันกับเรากว่าจะทําจิตให้สงบได้นั้น เราก็ต้องทำนับครั้งไม่ถ้วนกว่าจิตนี้จะสงบได้ิิปัสนาก็เช่นเดียวกันเราก็พิจารณาดูรูปนี้นับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดก็เกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นมาเมื่อเกิดความเบื่อนหน่ายขึ้นมาเมื่อไรเมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นผู้กำหนดรู้ได้แล้วปริยยังกิเนทิเทเว ดูก่อนทิกษุทั้งหลายทุกควรกําหนดรู้ผู้นั่นกนําหนดรู้ได้แล้วเมื่อกําหนดรู้ได้เกิดขึ้นมาเช่นนี้แล้วเราจะทําอย่างไรอีกต่อไปก็จําเป็นจะต้องทําให้มากยิ่งขึ้นเพราะการพิจารณาวิพากนานั้นก็เหมือนกันกันกบการต้หมหรือเรียวกว่าการหุงข้าว การหุงข้าวนั้นเราจะหุงปับ๊บสุดทุกไม่ได้ต้องใส่ไฟแล้วจนกว่าจะเดือดจนกว่าจะสุกต้องใช้เวลาที่ปััสนาก็เช่นเดียวกันจำเป็นที่จะต้องใส่ไฟเขตปะความเพียรแผดเผาพิจารณาเผาร่างกายอันนี้ให้เป็นจุนนิจุน ให้เหลือแศษกระดูกให้เหลือเป็นดินน้ำไฟล้มให้เกิดความนิสิธิยานความเบื่อนหน่ายอยู่ตลอดนับครั้งไม่ถ้วนจึงจะไปเพื่อสบผลที่ว่าเพื่อสบผลนั้นพระพุทธองค์ทรงกัดต่อไปว่าพระหากับรันจีเมทิโทเวดูก่อนทิจุทั้งหลายจะมุตไทควรละกัรละ นั่นละจากกัญ ห, หาความทะเยอทะยานปัญหาความทะเยอทะยานความกำหนัดยินดีลาะโทสะความโกรธโมหะความหลงสิ่งเหล่านี้เรียกว่าสามุทยัยที่เรียกว่าสามุทัยเพราะมันต่อให้เกิดทุกข์ถ้ามีพวกนี้เราก็ทุกลํำไปเพราะฉะนั้นถ้า มวิปัสนาพิจารณาละแห่พิจารณาเห็นจริงแจ้งระจักลงไปในรูปนี้ได้แล้วก็จะเกิดความละขึ้นปัญหาก็จะน้อยลงไปราะความกำนัดยินดีก็น้อยลงไปโมหะความหลงก็น้อยลงไปความโมโหโธโศต่างๆก็น้อยลงไปตามลําดับอย่างนี้เรียกวันละ สามุทัยควรละแต่ในสามุทัยนี้ท่านอธิบายไว้มากนักในคำชีวิตสุดที่มักท่านแสดงสามุทัยว่าสามุทัยหยาบและสามุทัยละเอียดสามุทัยหยาบนั้นได้แก่การที่มีกิเลสคือมีความกำหนัดยินดีมีความหลงในรูปสวยงาม อะไรต่างๆเกิดสังหาความทะเยอทะยานอันนเรียกว่าจะมุทัยใหญ่จมุทัยละเอียดนั้นคือการเข้าไปยึดถือว่าเราได้สําเร็จชั้นนั้นบ้างได้สําเร็จชั้นนี้บ้างเมื่อไปยึดถือว่าได้สําเร็จเมื่อไรก็เกิดกลายเป็นอุปทานนั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ มีปัจจนุปกเลสคือกลายจะนมีปัจนุปกเลสไปอันนั้นเรียกว่าสามุทัยละเอียดคือไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวสาเร็จความจริงความสำเร็จนั้นมีได้หมายความว่าเราไปพบสิ่งอัศจริแล้วเกิดความสำเร็จย่อมไม่ใช่ความสำเร็จนั้นมันก็เหมือนกับสิ่งที่เราทำ ก็เปรียบกันง่ายๆเหมือนกับรับประทานอาหารเมื่ออิ่มแล้วก็ถือว่าสำเร็จการที่จะอิ่มได้ก็ต่อเมื่อเราทําจนคืนใา้ความวรับประทานไปจนกระทั่งถึงจุดมันก็อิ่มวิปัสสนาหรือเนี่ยว่ากรารพิจารณาให้เห็นจริงแจ้งกระจัดเกิดนิพทะยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาก็เช่นเดียวกัน มันก็จะต้องไปสู่ที่จุดแห่งความเพียงพอแห่งความต้องการพราฉะนั้นการที่มันไปถึงจุดนั้นน่ะเราจะว่ามันสำเร็จนั้นย่อมไม่ได้เพราะอะไรกพราเหมือนกันกันกบเรารับประทานอาหารนี่มันอินไปทีหนึ่งก็ ถ, ถือว่าสำเร็จนั่นกันแต่ว่ายังไม่ใช่สิ่งที่สำเร็จโดยแท้จริง คนกินอิ่มนั้นจะโตขึ้นไม่ได้ทันทีกว่าจะโตขึ้นนั้นเราจะต้องอิ่มนับครั้งให้ทั่วในรูป400จุด 1,400 หนุ่มจึงจะเป็นหนมเป็นกล่าวเพราะ อ, อันนั้นเรียกว่าความสําเร็จเป็นหนุ่มความสําเร็จที่ร่างกายสมบูรณ์ขึ้นอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้ยึดพอเราอิ่มไปทีหนึ่งเราก็ยึดว่าโอ้เราได้สําเร็จแล้ว ก็เหมือนกับเด็กคารกที่กินอิ่มแล้วก็นอนหลับสบายจะได้ประสบสำเร็จเป็นหนุ่มแล้วไม่ใช่นหนุ่มนั่นมันเป็นเด็กคารอกเช่นเดียวกันนั่นแหละกับสมุทัยละเอียดการเขไปยึดถื อ, อตัวตนท่านจงเรียกว่าเป็นวิปัสสนูยังมีอีกข้อนึงพระองค์ทรงสแสดงว่าสัิกาตั บ, บันจิเมพิทุเว รู้ก่อนที่ษุกทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งที่ท่านแสดงอริยสัจไว้มีสีข้อนี้มันเป็นข้อต่อเนื่องกันแต่ข้อสำคัญที่สุดนั่นคือข้อแรกได้แก่ทุกขสัจถ้าเมื่อทำทุกขสัจให้ปรากฏเด่นชัดพิจเจรณาเห็นจริงแจ้งจะจักเกิดนิธุทยานความเดือนหนาขึ้นมาที่เรียวกว่าเป็นทุกขสัจแล้วสมตุติภยสัจ ก็บังเกิดขึ้นได้ละได้มีรสทัสกัดก็บังเกิดขึ้นได้คือความรู้แจ้งในเห็นจริงือเรียกว่าดับทุกข์ mm hmm. เหมือนกันกับเราหิวอาหารมันเป็นทุกข์ mm hmm. เมื่อรับประทานอาหารอิ่แล้วทุกข์ก็หายไป mm hmm. เมื่อเราเป็นนี่เขา้าเราก็เป็นทุกข์ mm hmm. เมื่อเราใช้นี่เข้าหมดความทุกข์ก็หายไป mm hmm. อย่างนี้จะเรียกว่ากดปลื้ม เพราะฉะนั้นนิโรธคือสิ่งสาเร็จอย่างหนึ่งคือกดเปื้องเมื่อเป็นหนี้เท่านั้นยังกดเปื้องไม่หมดเช่นเป็นหนี้เขาแสนหนึ่งเรากดเปื้องไปได้มื่นหนึ่งมันก็เหลืออยู่ตั้งอีกตั้งเยอะถ้าเรากดเปืองไปได้ห้าหมืนก็ยังเหลืออีกตั้งขึ่งหนึ่งอย่างนี้นิโรธก็เหมือนกัน การดับทุกนั้นก็ดับเป็นขั้นเป็นตอนเมื่อใช้มี่ทั่วหมดถึงแสนก็เรียกว่าหมดทาระดับทุกไปเลยเหมือนกันกับผู้ที่พิจารณาเห็นจริงแจ้งไปจับคล้องกันกับที่เราพิจารณาละภายใน จ, จิตใจนั้นเกิดกระแสความสว่างะไหวและเกิดความ ละเอียดขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าเราดับเรียกวันดับความโง่หรือเรียกว่าดับทุกข์ไปแล้วก็ยังมีอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายที่พระองค์ทร ง, งแสดงว่าทาเวต บ, บันติเนทิเทเวดูกวอนทุกข์ทั้งหลายมักควรเจริญให้มาก มักควรเจริญให้มากนั้นก็คือว่าเมื่อเราประสบพบผลทางถูกแล้วเราต้องทําเหมือนกับรับประทานอาหารเรารู้แล้วว่ารับประทานอาหารอย่างนี้อร่อยแล้วก็มีกําลังแล้วก็ถูกต้องกับภาตุขันของเราก็ถือว่ารับประทานไปจนกว่าเจะเราเกิดเป็นหนุ่มเป็นสาว หรืออยกว่ามีกำลังเต็มที่เพราะฉะนั้นในคำที่ว่าทาเวตะปันติเมธิกเวดูคว่าิพิกทุทั้งหลายมักควรเจริญให้มากนั้นเมื่อเราได้หนทางแล้วเราก็ไม่หยุดยัง้งคือเราไม่ยอมหยุดยัง้งเราพยายามทาวิโตเจริญให้มากหทวกาโตจะทำให้มากอาภินยายะ ก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัำโภทา ย, ยะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ดียิบานนยะก็จะเป็นไปเพื่อความดับสนิทอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจเพราะฉะนั้นผลทางของพระพุทธศาสนานี้จึงมีอย่างต่ำอย่างกลางอย่างสูงให้เราพากันปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์